การระลึกชาติของนักศึกษาอเมริกาโดยอุทิศทินกรณ์ณอยุธยานิตยาสารเฟสฉบับประจำเดือนธันวาคมคริสตศักราชหนึ่งก้าหกหกได้ตีพิมพ์เรื่องราวของ มิสเตอร์ลอลิงสีวิลเลียมส์แห่งฮันสเดลนิวแฮมเชอร์สหรัฐอเมริกาซึ่งได้สะกดจิตบุคคลผู้หนึ่งและทำให้บุคคลผู้นั้นระลึกชาติได้เป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วในหมู่นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ว่าความทรงจำของคนเรานั้นแม้จะลืมไปเป็นเวลาช้านานแล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะขุดคุยออกมาได้โดยการสะกดจิตให้บุคคลนั้นตกอยู่ในภวังที่ลึก จนกระทั่งจิตสำนึกหยุดทำงานและปล่อยให้จิตใต้สำนึกขึ้นมากระทำหน้าที่แทนจิตใต้สำนึกนี้ย่อมทำหน้าที่เป็นคลังแห่งความจำในอดีตการของคนเราทั้งมวลแม้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตชาติหนังสือหลายเล่มในประเทศกลุ่มตะวันตกได้ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับการระลึกชาติโดยใช้วิธีสะกดจิตและก็ได้บรรยายไว้อย่างละเอียดลอ่ออ บางเรื่องก็ได้มีการทดสอบถูกต้องกับความเป็นจริงทุกประการเรื่องที่นิตยสารเฟตลงพิมพ์ดังกล่าวนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเรื่องหนึ่งบุคคลผู้ถูกสะกดจิตในเรื่องนี้ชื่อจอร์ i ฟิลอายุ16ปีเป็นนักศึกษาโรงเรียนฮันสเดลงานอดิเรกที่เขาชอบก็คือการท่องเที่ยวโดยตั้งค่ายพักแรมการตกปลาล่าสัตว์ และเป็นนักเป่าทรัมโบนอยู่ในวงดนตรีของโรงเรียนย้อนไปในอดีตก่อนที่เขาจะเกิดมาในชาตินี้จอร์สามารถระลึกย้อนเหตุการณ์ในอดีตของเขาได้หลายชาติในชาติหนึ่งซึ่งเป็นระยะเวลาถัดจากชาตินี้ไปเขาเกิดเป็นชาวนาอยู่ที่นอตคโรไ ล, ลานา ในปีพุทธศักราช 2,375 ถึงปีพุทธศักราช 2,406 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เกิดสงครามเลิกทาสขึ้นในสหรัฐอเมริกาในชาติที่แล้วเขามีชื่อว่าโจนาธานพาเวลล์อาศัยอยู่หน้าตำบลเอเชเมืองเจฟเฟอร์สันเขาได้ระบุชื่อแม่น้ำซาท์ฟอร์ด และเมืองที่อยู่ใกล้เคียงชื่อคลิปตันบิดาของเขามีอาชีพทำไร่นาแต่บางคราวก็ทำงานเหมืองแร่เมื่อโจนาธานอายุได้17ปีบิดาของเขาก็เสียชีวิตเพราะเหมืองแร่ระเบิดส่วนมารดาเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุเมื่อเขามีอายุเพียง3ปีเขาได้บอกถึงชื่อของบิดามารดาและโดยเฉพาะย่าของเขาว่าชื่อแมรี่พาเวลเขาอ่านหนังสือไม่ออก และก็ไม่สนใจในเรื่องการเมืองรวมทั้งผู้นำทางการเมืองในสมัยนั้นด้วยเขาต้องทำงานหนักชนิดอดมื้อกินมื้ออยู่ในไร่ของบิดาจอร์ i ฟิลหรือชื่อในชาตินี้ไม่เคยเดินทางออกไปจากรัฐที่ตนอยู่อาศัยและก็ไม่ได้สนใจเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับภูมิประเทศดังนั้นการที่เขาเอ่ยชื่อเมืองต่าง เช่นเจฟเฟอร์สันคลิปตันและตำบลเอเชจึงเป็นที่น่าสดุดใจว่าจะมีเขาโครงความจริงอยู่ในเรื่องนี้มิสเตอร์วิลเลียมส์จึงได้เริ่มดำเนินการค้นคว้าหาความจริงในเรื่องนี้ทันทีมิสเตอร์วิลเลียมส์ได้จัดการพาจอร์จไปยังเมืองเจฟเฟอร์สันในนอตคโรไลนาเพื่อพิสูจน์ความจริง เมื่อมาถึงเมืองเจฟเฟอร์สันจอร์ดเริ่มมีความรู้สึกอย่างรุนแรงและประหลาดใจว่าเขามีความมักคุ้นกับสิ่งรอบๆตัวเหล่านี้และเขาได้เคยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วดังนั้นเขาจึงถูกสะกดจิตอีกครั้งหนึ่งและถูกพาตระเวรไปเที่ยวรอบๆเมืองจอร์ดเริ่มระลึกย้อนหลังไปได้ว่า ในอดีตชาติเขาอยู่ที่เมืองนี้และมีชื่อว่าโจนาธานโจนาธานผู้น่าสงสารรู้สึกพิศวงงงงวยและตื่นตระหนกมากนับตั้งแต่เขาตายไปในอดีตชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นอยู่นี้ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดเมืองนี้เมื่อก่อนเป็นเมืองเล็กๆแต่บัดนี้ได้ใหญ่โตกว้างขวางขึ้นไปอีกหลายเท่าตึกรามบ้านช่องที่เขาเคยเห็นอยู่บัดนี้ก็ไม่มีเสียแล้ว ตึกรามบ้านช่องสมัยนี้ก็ดูพิลึกโอลานกว่าสมัยก่อนมากมายนักเขารู้สึกประหลาดใจมากที่เห็นถนนสายต่างๆนั้นทําไมพื้นถนนจึงแข็งนักเมื่อรถหยุดเขาเรีบลงไปที่พื้นถนนคอนกรีตเขากระโดดย่ําขึ้นย่ําลงด้วยความสงสัยว่าก็เมื่อก่อนถนนนี้มันไม่แข็งแรงอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ทําไมมันจึงแข็งนัก เมื่อได้ไปทำการสืบสวนกันนะ้าที่ทำการตำบนปรากฏว่าหลักฐานการเกิดตายก่อนปีพุทธศักราช2455มีิไม่ได้ทำกันไว้ดังนั้นการค้นคว้าต่อไปจึงต้องอาศัยหลักฐานจากโฉนดเก่าและในที่สุดก็พบสำเนาโฉนดฉบับหนึ่งซึ่งมีชื่อแมรี่พาเวลหรือชื่อคุณย่าของโจนาธานอยู่ในปีพุทธศักราช2346 เรื่องนี้จึงถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญแสดงว่าญาของโจนาทานได้มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้และสกุลพาเวลก็ไม่ใช่เป็นนามสกุลที่ใช้กันแพร่หลายในสมัยนั้นในตำบล น, นั้นมีนามสกุลพาเวลอยู่นามสกุลเดียวแต่อย่างไรก็ดีเขาไม่สามารถที่จะย้อนระลึกถึงบรรพบุรุษของเขาในสมัยนั้นได้ มิสเตอร์วิลเลียมส์ได้อาศัยผู้รู้ประวัติของสกุลเก่าๆในตำบล น, นั้นมาช่วยเหลือด้วยผู้หนึ่งผู้รู้ประวัติเก่าๆนั้นได้ตั้งคำถามต่อโจนาธานในภาวะที่ถูกสะกดจิตหลายข้อเช่นถามถึงเรื่องราวของบุคคลในสมัยนั้น25คนรวมทั้งเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมาจนถึงปีพุทธศักราช2403ในจำนวนบุคคลที่ถูกถาม25คนนั้น โจนาธานรู้จักถึง15คนส่วนนอกนั้นเขาไม่รู้จักเขาได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นในเรื่องฐานะการเงินชื่อของบุตรหลานและตำบลที่อยู่ของบุคคลเหล่านั้นปรากฏว่าเรื่องที่โจนาธานเล่าเป็นความจริงทั้งหมดโจนาธานได้กล่าวอ้างถึงหมอสอนศาสนาผู้หนึ่งชื่อมิสเตอร์บว์ ซึ่งจาริกสอนศาสนาไปยังเมืองต่างๆและได้เดินทางมายัางเมืองเจฟเฟอสันในสมัยนั้นได้อย่างถูกต้องแม่ น, น้ำที่มีชื่อว่าแซาฟอร์ดตามที่อ้างถึงก็มีอยู่จริงแม้จะไม่ปรากฏในแผนที่ที่ได้ตรวจสอบและสืบสวนกันในครั้งแรกก็ตาม <AM> นอกจากนั้น โจนาทานยังได้อ้างถึงร้านขายสินค้าของมิสเตอร์คาร์เตอร์และมิสซิสแอบบี้แต่ไม่สามารถหาบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่ทว่ามีหลักฐานแสดงว่าพวกสกุลคาร์เตอร์ได้มีชีวิตและอาศัยอยู่ที่นั่นในสมัยนั้นจริงและครอบครัวหนึ่งมีชื่อว่าแอ็บบี้ก็อยู่ที่ตำบล น, นั้นด้วย ในการเดินทางเที่ยวนี้จอร์ i ฟิลซึ่งเป็นชื่อในชาติปัจจุบันในชาตินี้เขาไม่เคยได้ยินคำว่ายานัทมาก่อนเลยได้แสดงท่าทางการใช้ยานัทให้ดูอย่างช่ำชองซึ่งก็ตรงกับความจริงสมัยนั้นเมืองนั้นนิยมใช้ยานัทกันอย่างแพร่หลาย โจนาธานถูกยิงตายโจนาธานกล่าวว่าเขาถูกทหารแยงกี้หมู่หนึ่งยิงตายเพราะเหตุที่เขาปฏิเสธที่จะขายมันฝรั่งในราคาถูกๆให้แก่พวกนั้นคือขายให้ได้ในราคาถังละสิบเซน เขาโต้แย้งอย่างรุนแรงในการที่พวกมันจะบังคับซื้อเอาเช่นนั้นทหารคนหนึ่งแต่งเครื่องแบบสีเทาจึงยิงเขาตายโอ้ยพมันยิงข่าอีกพวกระยำยังกี้มันยิงข้าจวนาธานขณะที่ตกอยู่ในภวังของการสะกดจิตร้องครวญครางพร้อมกับอามือกลุ่มที่ท้องสีหน้าของเขาแสดงถึงความเจ็บปวดรวดร้าวน้าตาไหลาอาบแก้มทั้งสองข้างลมหายใจขาดเป็นห้วง ในที่สุดเขาก็หยุดหอบลักษณะของความสงบฉายอยู่ทั่วใบหน้าและโจนาธานก็สิ้นใจโจนาธานกล่าวว่าทหารพวกนั้นสวมเครื่องแบบสีเทาและพวกนั้นไม่ใช่ชาวใต้เรื่องนี้จึงดูสับสนและขัดแย้งทำให้ขาดความสำคัญ เพราะจากบันทึกเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองปรากฏว่าเมื่อปี1863หรือปีพุทธศักราช2406ในนอร์ทคาโรเลนาไม่มีทหารแยงกี้หรือทหารที่สวมเครื่องแบบสีเทาอย่างไรก็ดีด้วยความช่วยเหลือของผู้รู้ประวัติของท้องถิ่ น, นั้นช่วยให้ขจัดข้อขัดแย้งนี้ไปได้ผู้รู้ประวัตินั้นเผยว่าในสมัยนั้นมีกลุ่มโจรปล้นสะดมอยู่หลายกลุ่ม พวกนี้ลงมาจากทางภาคเหนือโดยเฉพาะมาจากเทนนตากี้กลุ่มโจนเหล่านี้ช่วยโอกาสจากความระสำาราในสงครามข้าวปลนสดมและพวกโจนเหล่านี้ก็อาจขโมยเครื่องแบบสีเทามาสวมก็ได้ชีวิตของโจนาธานเป็นชีวิตที่ต่ำต้อยเขาเป็นแค่เพียงชาวนาจนๆที่น่าสงสารคนหนึ่งจึงอาจจะเข้าใจได้ว่า ทำไมข้อพิสูจน์เกี่ยวกับชีวิตในอดีตของเขาจึงค้นพบได้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่สําคัญอันควรระลึกก็คือไม่มีสิ่งใดเลยที่เขากล่าวมานั้นจะพิสูจน์ไม่ได้หรือสิ่งที่เขากล่าวนั้นเป็นความเท็จตัวอย่างเช่นถึงแม้การสืบสวนจะไม่สามารถระบุที่ตั้งของเหมืองแร่ที่บิดาของเขาทํางานอยู่และเสียชีวิตก็ตามแต่ข้อเท็จจริง ก็ปรากฏมีเหมืองแร่จำนวนมากอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นและมีเหมืองแร่อยู่หลายแห่งที่เป็นเหมืองแร่ประเภทคนงานคนหนึ่งหรือสองคนทํางานขุดก็มีส่วนหลักฐานที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นไม่สามารถจะหาได้อย่างไรก็ดีการระลึกชาติโดยใช้วิธีสะกดจิตนี้เป็นหลักฐานสนับสนุนเรื่องตายแล้วเกิดได้ดีเรื่องหนึ่ง การระลึกชาติได้โดยวิธีสะกดจิตนี้มักจะเป็นที่รังเกียจและไม่ยอมรับกันอยู่ทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ถือกันว่าการที่จะพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดโดยการระลึกชาติได้จริงนั้นจะต้องมีการพิสูจน์ให้ได้เสียก่อนว่าผู้ระลึกชาติได้ไม่มีทางที่จะรู้ได้จากวิธีอื่นแต่เรื่องนี้ก็เป็นการยากในทางปฏิบัติโดยเฉพาะเรารู้กันดีอยู่ว่าผู้คัดค้านบางคนตั้งทฤษฎีว่า การระลึกชาติได้นั้นแท้จริงก็คือการใช้อำนาจของตาทิพย์และโทรจิตเข้าไปรู้ไปเห็นเหตุการณ์นั้นๆก็ถ้าหากบุคคลผู้ระลึกชาติได้บรรยายถึงชีวิตหรือเหตุการณ์ที่ไกลเกินไปเราก็จะไม่มีหลักฐานมายืนยันข้ออ้างได้และถ้าบุคคลนั้นบรรยายถึงสภาพชีวิตในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้ว เราก็อาจจะวางทฤษฎีได้ว่าผู้นั้นรู้เพราะอาศัยจิตสำนึกหรือไม่ก็จากจิตไร้สำนึกประการใดประการหนึ่งและถึงแม้ว่าข้อคัดค้านต่างๆเกี่ยวกับการระลึกชาติโดยวิธีสะกดจิตในรายที่ผู้ถูกสะกดเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีได้แต่ในรายที่ผู้ถูกสะกดเป็นเด็กการคัดค้านดูไม่สู้จะมีน้าหนักเว้นแต่ผู้คัดค้านจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กผู้นั้น มีความสามารถทางตาทิพย์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย